สารสรสร้างสารรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นร ม, รรมวิทยุกร ม, รรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์1อ1เอ็มร้อย3 6 8ดจุกิสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์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 ความรุ่งเรืองทั่วกันดำคูมต้นตอสู่แดดฝนไม่วันออกดอกช่อนั้นแน่งบานงามตาจากวันนี้ไปได้นำความรู้สู่ยังท้องถิ่น กเราพัฒนานำพาด้วยคุณธรรมน้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาศรัทธาบัง พัฒนานำพาด้วยคนนุณธรรมนบนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาศรัทธา ท่านผู้ฟังที่เปิดเครื่องอยู่ทางบ้านนะครับเรืนี้รายการทันโลกทันเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนําเรื่องราวสาระน่ารู้มาพูดมาคุยกันนะครับว่าเป็นอย่างไรวันที่27สิงหาคมที่ที่ผ่านมาที่ทำเนียบรัฐบาล น, นะครับนายงตรีนําคณะตรีนะครับนะ มานะครับนะ้น้อมรับนะครับนะในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระปรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพ ร, พระราชดำรัสผมหลายประหัตนะครับในโอกาสที่คณะตรีเข้าเฝ้าทูลองทุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณ น, นะครับนะเพราะฉะนีน้ตรงนี้นี่ก็คณะตรีก็มานะมามา รวมตัวกันนะครับนะในส่วนของเน่เพื่อที่จะนะปลดน้อมรับนะครับใส่เก้าเซกมมเป็นสรีมงคลนะเป็นเครื่องกำกับสติเตือนใจนะครับว่าให้นะนายงตรีก็บอกว่าจะให้ทุกคนยึดมั่นตามพระราชกระแสพระราชบัญรัสที่พระราชทานไว้นะครับก็เป็นในส่วนนี้ก็นายงตีนะครับและคันน้ำตรีนะครับได้มีกิจกรรมนะตรงนี้นะครับนะส่วน จากการให้สัมภาษณ์ของทวดเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกตรีถึงกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติส่งเรื่องนะเกี่ยวกับเรื่องของการถวายสัตว์ปัิยานไม่ไม่ครบเนี่ยไปยังสารนูนก็บอกว่าไม่ไม่ได้หนักใจอะไรเพราะเป็นไปตามข้อกําหนดของของกฎหมายนะรองนายกก็กล่าวไว้อย่างนั่นนะครับนะพอพอวันวันผู้ตรวจ การแผ่นดินนะครับมีการประชุมวันที่27สิงหาเนี่ยนะครับมีการประชุมกันแล้วก็มีมติเอกชนที่จะส่งเรื่องนะไปยังศาลน้ำนูนนะครับตามมาตรา46ของพรบประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลน้ำนูนนาหก็นะครับก็ก็ให้วินิจฉัยแล้วครับนะกรณีถวายคำสัตรรย์ปฏิญาณไม่ครบเนี่ยนะครับจะจะเข้าค่ายขัดน้านุนหรือไม่นะครับก็ต้องดูแล้วครับต้องดูเป็นไปตาม กระบวนการทางทางทางกฎหมายนะครับว่าว่าเป็นอย่างไรในส่วนที่ฝ่ายค้านเนี่ยนะครับนะพักฝ่ายค้านมีการประชุมร่วมกันเจ็ดพักนะครับเพื่อพิจารณาแนวทางการศึกษาที่จะศึกษาการวิธีการแก้ไขรัฐนุนเพื่อเพื่อให้อสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยโดยทั่วไปนะซึ่งมีการประชุมกันแล้วก็ มีการถแถลงโดยนายโภ ค, คินพลกุลคณามการยุท ธ, ธศาสตร์ของเพื่อไทยก็บอกว่าก็บอกว่าฝ่ายค้านเจ็ดพักก็บอกว่าน่าจะมีการแก้ไขทั้งฉบับแต่ว่าจะไม่แต่ต้องหมวด1หมวด2ก็คงเป็นหมวดที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์นะครับแต่ว่าหมวด3เป็นต้นไปเนี่ยมีการเสนอว่าน่าจะมีการปรับแก้นะครับเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นก็มีมีการเสนอแล้วครับให้มีให้มีมสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ เหมือนกับปี44นะครับมีสสรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั่วประเทศ200คนก็คงจะมาจากจังหวัดละคนแล้วก็ในส่วนของฐานอาชีพต่างๆนะครับมามารวมตัวกันนะครับแล้วก็มีการจัดทำร่างรัฐมนูญแล้วก็ส่งให้กรรมธิการยกร่างรัฐมนูญ35คนนะครับที่มาจากสมาชิก สสอรยีคนมาจากนักวิชาการนักกฎหมายอีก15คนใช้เวลาประมาณ240วันหรือ8เดือนยกร่างนะครับยก r a ง g i n g รมนก่อนทำประชามติและนำขึ้นทูนกล่าวนะครับซึ่งก็จะมีการขอเชิญพักร่วมรัฐบาลทุกพรรคมาร่วมแก้ไขรัฐมนูนด้วยนะครับนะก็แล้วก็ต้องนะใช้เสียงจากสว1ใน3ร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นะรตรงนี้นี่คงจะต้อง ดูนะครับในหลายๆส่วนนะครับว่าจะขับเคลื่อนกันอย่างไรก็เป็นไปตามกรอบของของกฎหมายแะครับที่มีการเคลื่อนไหวนะแต่ละแต่ละส่วนก็จะมีบทบาทมีการสแสดงบทบาทกันกันไปนะครับว่าจะเป็นเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้นี่มีการแก้ไขส่วนปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภัยแรงนี่นะครับนะ คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบมามื่นกว่าล้านนะมื่นห8 0 0รอล้า น, นในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขาดแคลนน้ำนในในแต่และจังหวัดนะครับนะแล้วก็โดยจังหวัดรับเฉลี่ยและประมาณ200ล้านจากการเปิดเผยของพลเอกอนุพง์เผ่าจินดานะครับรัฐมนตรีมหาไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของสุรินทร์บุรีลำเป็นจังหวัดที่ มีปัญหาขาดแคลนน้ํารุนแรงภัยแรงมากก็จะให้จังหวัดละ500ล้านนะครับโดยให้แต่ละจังหวัดเนี่ยเป็นผู้พิจารณาโครงการนะที่เกี่ยวข้องนะเน้นแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคละครับนะนะแล้วก็มีการปัญหาการขาดแคลนน้ําของเกษตรกรด้วยนะครับในการเพาะปลูกนะเพราะฉะนั้นะนี่ก็ตรงตรงนี้ก็จะต้องมีการทําแผนที่ละเอียดแล้วก็มีการเสนอโครงการ ก่อนวันที่30กันยายนศกนี้นะครับนั่นก็เป็นเป็นความเคลื่อนไหวของของรัฐบาลที่พยายามนะครับพยายามที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภัยแล้ง ใ, ในหลายจังหวัดนี่ปร ะ, ประสบปัญหาครับนะโดยเฉพาะในแถบภาคอีสานนะชาวบ้านนะที่ปลูกข้าวเนี่ยนะครับก็มีปัญหาเมืนะ่อฝนขาดช่วงก็จะทำให้ใหข้าวในในนาข้าว รประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่มีน้ำก็ทำให้แห้งตายอาจจะต้องมีการปลูกเสริมนะตรงนี้นี่หลายๆพื้นที่สะท้อนสะท้อนกันเข้ามานะครับคงจะต้องแก้ไขทั้งอีสานทั้งเหนือเนี่ยครับใ น, ในช่วงนะและรวมทั้งน้ำอุปโภคบริโภคเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงใ น, ใ, นในหลายจังหวัดนะทั้งโคราชชัยภูมิมูรีลามสุรินในหลายๆเมืองแหละครับนะเพราะว่าน้าที่จะมาทาประปาเนี่ยค่อนข้างที่จะขาดแคลน นะครับขาดแคลนเลยทีเดียวนะพอจานนี้รงนี้นี่คง จ, จะต้องใช้น้ำใต้ดินหรือไม่นะครับหรือว่าอาจจะแก้ปัญหากันอย่างกันอย่างไรนะครับแถวแถวบุรีรัมย์สุรินทร์นี่ใช้น้ำจากบอ่อเหมืองหินของเอกชนนะครับที่มีน้ำขังก็ม า, มามามาใช้ผลิตน้ำอุปโภคบริโภคก็พอที่จะคลี่คลายแต่ว่าคงจะต้องมีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการ บริหารจัดการน้ำให้ให้มากขึ้นนะครับนะว่าว่าจะทําอย่างไรนะครับนะซึ่งก็เป็นเป็นโครงการใหญ่ละครับนะในแต่ละรุ่มน้ํานะครับโดยแม้แต่แม่น้ําโขงนี่ก็ยังมีการตื้นเขินนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็ไม่เคยเกิดขึ้นก่อนนะส0มสี่สิปียังไม่มีแต่ว่าปีนี้นี่ค่อนข้างที่จ ะ, ะแห้งแล้งนะนะ แ, มแม่น้ําโขงนี่ก็ประสบปัญหาซึ่ง หลายส่วนก็มองว่าเกิดจากเขื่อนนะครับเขื่อนขนาดใหญ่ในในในประเทศจีนบ้างในสปปลาวในในพม่าเนี่ยนะครับฮะคงจะต้องมีการเจรจา ก, กันนะครับนะว่าอาจจะให้มีการปล่อยน้ํานะครับให้น้ําไหลาตามธรรมชาติกันได้หรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าทำเขื่อนกักน้ำไว้เป็นเขื่อนขนาดใหญ่นี่ก็ทําให้ปริมาณน้ําที่ไหลลงมาส่วนปลายของของแม่น้ำนี่ลดลงอย่างมากหนละ่ะ ตรผลกระทบมากก็คือในสปปลาวในกัมพูชาแล้วก็ในเวียดนามนะครับที่อยู่ปากแม่น้ําโขงนะครับนี่เราจะเห็นชัดเจนนะครับในสําหรับปีนี้ถึงแม้ว่าจะมีนะมรสุมเข้ามานะครับนะก็เริ่มมีมรสุมเข้ามาในแถบีสาศเหนือภาคเหนือนะครับนะก็มีการเติมน้ําเข้ามาแต่อย่างไรก็แล้วแต่น้ํานั้นแ ม, ม่น้ําโขงนี่ก็ยังชะลอกันอยู่นะครับอาจจะ ต้องอีกสักพักหนึ่งก็จะฟื้นกันขึ้นมาส่วนแถวอีสานตอนใต้นี่ก็ยังขาดแคลนกันอยู่นะน้ำยังยังยังไม่มากปริมาณ น, น้ําฝนคงจะต้องรอกันนะครับว่าจะทําอย่างไรนะครับมารับฟังเพลงก่อ น, นครับก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อครับ มองตัวเองจนชีวิตเจ้าน้องก็ตายลงไปยอมทำไปแม้ไม่มีใครจะมองเห็นหล่นร่วงลงไปทอดกายเป็นปุ๋ยดินโอเจ้าน้องพี่เสือ้อไม่เหลือเวลา ตามฝันไม่ทันได้เติบโตไม่ทันโผบินแล้วความรักของมันจะทิ้งเรื่องราวอะไรให้ใครได้รักที่สร้างสรรค์ไม่ทำร้ายใครตอ ชมแค่เพียงดอกไม้ไม่เคยคิดมองตัวเองจนชีวิตจะนอนก็ตายลงไปยอมทำไปแม้ไม่มีใครจะมองเห็นหล่นร่วงลงไปทอดกายเป็นปุย พูดมาคุยกันต่อนะครับในช่วงนี้นวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องของข้าวเหนียวแพงนะครับนะซึ่งต้องเร่งแก้ไขกันเร่งด่วนนะครับนาะในวิชัยโพชน ก, กิจอาทิบดีกรมการค้าภายในก็บอกว่ามีการหารือร่วมกับสมาคมโรงสีข้าวไทยนะครับสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยและก็ผู้ประกอบการห้างค้าปลีก ก็ขอความร่วมมือให้สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยจัดทำข้าวสารเหนียว 10% บรรจุถุงภ า, ภายใต้แบรนด์กรมการค้าภายในนะครับนะก็จะขายราคาที่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้ประชาชนก็จะได้ไม่กระทบมากโดยเฉพาะทางอีสานครับบริโภคข้าวเหนียวกันเป็นหลักนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็บอกว่าราคาขาย ตั้งเป้าไว้กิโลไม่เกิน35บาทนะจากราคาตลาดปัจจุบันนี้อยู่ที่กิโลละถึง45บาถึง50บาทก็ถือว่าแพงมากก็จะทำออกมาขายนะครับนะแล้วให้ราคาต่ำลงประมาณ10ถึง15บาทนะเพราะฉะนั้ น, นตรงนี้นี่คงจะต้องดูว่าจะจะคลี่ไขได้หรือไม่นะก็จะกระจายขายนะครับตามร้านธงฟ้านะครับพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นประมาณ 40,000 แห่ง นะครับแล้วก็ตามห้างสปปรรพสินค้าทั่วไปนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็บอกว่าการซื้อขายผ่านร้านธงฟ้าก็จะให้สิทธินะ์ทั้งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนนี่ยะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อได้ส่วนการซื้อในห้างก็จะให้เฉพาะผู้ถือบัตรนะเท่านั้นนะครับนะเพราะในตรงนี้นี่คงนะจะต้องดูแล้วก็มีการจำกัดไม่เกินคนะนละถุงนะ การซื้อขนาด2อกโลก็ไม่เกินคนละ3ถุงกปตรงนี้ก็มีการจำํำกัดโคต้าเหมือนกันในการที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของข้าวเหนียวนะราคาแพงนะครับซึ่ง ก, ก, ก็ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับปรากฏการเกี่ยวกับเรื่องของข้าวเหนียวราคาแพงนี่นะครับนะคงจะต้องพยายามที่จะแก้ไขกันตรงนี้ให้ดีนะครับส่วนเกี่ยวกับเรื่องของ ทางส า, สาธารณสุขมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจคือในส่วนสาสุขนะองค์การเพศสัตว์แลวก็ทางหน่วยงานต่างๆนี่ก็บอกว่าจะมีการกระจายยากัญชาผสมสองตำรับสู่ประชาชนเพื่อให้มีการนำไปรักษาโรคนะครับซึ่งนายแพทย์มารุตจีรเศรษฐสีริยอนธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยก็บอกว่าคลินิกกัญชาทางเลือกแพทย์แผนไทยก็จะ ตามโรงพยาบาลต่างๆจะเริ่มเปิดบริการในวันที่2กันยายนนี้นะครับในสถานบริการสุขภาพ13เขตทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลอีก13แห่งเข้ามาร่วมนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีการเปิดให้บริการนะครับนะดูแลสุขภาพให้กับประชาชนโดยใช้ตำรับที่ใช้ กัญชานีครับทางการแพทย์เนี่ยผสมนะครับนะมีการให้บริการกันนะในการมีคลินิกในการให้รักษากับผู้ป่วยโดยทั่วไป ก, ก็เริ่มเป็นนิมิตหมายอันดีแล้วครับนะส่วนนายปราโมทเสถียรนัทรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยก็บอกว่าความคืบหน้าการผลิตยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่องค์การเภสัชได้ทําการกระจาย2ตําำลับนะกระจายยาคือ ยาสุกใส่ยญญาิแล้วก็ยาทำลายพัสสุเมนนะให้กับโรงพยาบาลทั้ง13แห่งให้ไปตั้งแต่วันที่28สิงหาคมศกนี้นะครับส่วนะนอีก14ตำรับก็จะเริ่มผลิตในเดือนตุลานี้นะครับซึ่งเบื้องต้นก็จะทำให้เพียงพอประมาณนะสำหรับคนหมื่นคนนะครับนะเพราะนั้นในรวมรวมประชาชนที่จะได้รับบริการเนี่เป็นแสนนะครับนะน่าจะเป็นแสนคน ส่วนตำรับน้ำมันกัญชาสูตรของอาจารย์เดชาศิริพัฒน์นั้นก็เหลือเพียงการรอให้ผ่านคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์คือตอนนี้นี่ยังไม่ผ่านนะครับของอาจารย์เดชาจะต้องรอคณะกรรมการชุดนี้พิจารณานะครับก็จะสามารถผลิตได้ทันทีนะประมาณ0 0แสนขวดนะครับซึ่งนะทุกขวดก็จะมีการติดตามนะว่าผู้ใช้นี่ ใช้แล้วมีประสิทธิภาพหรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็คนป่วยหลายโรคแล้วครับที่ที่รอกันกันอยู่นะครับแล้วก็ก็อย่างที่รับทราบกันทั่วไปว่ามีการมาใช้แก้เกี่ยวกับเรื่องของโรคลมชักในในเด็กบ้างนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งเกี่ยวกับเรื่องของอัลไซเมอร์ Alzheimer อะไรต่างๆหรือพาร์กินสันหลายๆโรคนะครับนะที่ที่ ท, ที่หลายคนก็ใช้กัญชาในการรักษาคงจะต้องดู นะครับเพราะในโคกเริ่มจากการทำวิจัยกันใ น, ในโรงพยาบาลก่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี้ก็จ ะ, ะมีการสั่งให้โรงพยาบาลนะให้สามารถที่จะมีการครอบคลองวิจัยน้ำมันกัญชาเนี่ยนะครับนะก็มีอยู่18แห่งนะครับนะก็มีหลายจังหวัดนะครับกระจายกันไปนะครับต่อไปก็น่าจะดีขึ้นมีการเคลื่อนไหวที่จะให้กลุ่มวิสาหกิจเนี่ยมาร่วมมือกับ ในส่วนของมหาวิลลยนะทำเอ็มกันเพื่อที่จะผลิตกัญชาทางการแพทย์มามารักษานะครับนะซึ่งตรงนี้นี่ก็คงจะต้องดูนะครับนะหลายๆพื้นทีนะ่เริ่มมีการจับมือกันนะครับในการที่จะวิววจัยพัฒนาอะไรต่างๆกันกันขึ้นมานะครับนะส่วนในส่วนของของบุรีรามนี่มีอยู่ที่โรงพยาบาลคูเมืองเนี่ยร่วมกับ สวนกเกษตรเพลเพรเิร์ดจับมือกันเพการที่จะผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์นะครับนะเพราะฉนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องดูนะมีมีการชนร่วมกับรัฐหลายๆแห่งนะครับทำทำเกี่ยวกับเรื่องนี้กันขึ้นมาว่ า, ว, าว่าจะทําอย่างอย่างไรกันบ้างนะครับนะเพราะนั้นคงนี้คงจะต้องดูกันความเคลื่อนไหวของทางด้านไอทีนะบอกว่าจะมีในส่วนของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบอกว่าจะ มีการเริ่มในการใช้ให้บริการ 5G ในปี 2,163 รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลว่าอย่างนั้นนะครับนะออาะอนนี้ท่านที่มีมือถือมีเครื่องมือสื่อสารนี่ก็ต้องเตรียมนะครับนาเตรียมที่จะต้องหาเครื่องที่จะรองรับนะเครือข่าย 5G แหละครับเพราะในพุทธิพงศ์ปุณกันต์น้ำตีดนะิจิทัลได้เปิดเผยบอกว่าก็จะมีการหาลือกับ กสทอชอนะครับนะเพื่อที่จะขับเคลื่อนเทคโนโลยี 5G นะอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าจะใช้ในการดึงนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศให้ย้ายมาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ e e c นะครับพะจะขับเคลื่อนเชิงพาณิชย์ในปี2563นี้นะครับนะกว่าอย่างนั้นนะครับรัฐมนตรีว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ มีการทดสอบหลายหลายที่แล้วก็เป็นไปได้และตนจะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาที่ซิลิคอนวัลเลซึ่งเป็นพื้นที่ที่บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ขอ ง, ของสหรัฐตั้งอยู่ล่ะครับจะเชิญชวนให้เอกชนเหล่านี้ย้ายนะมาลงทุนในประเทศไทยนะซึ่งก็ลงทุนในพื้นที่ eec นะครับเขตเศรษฐกิจพิเศ ษ, ษ, ษ, ษ, ษ, ษ, ษ ภ, าภาคตอนออกนะครับก็ ถ้ามาได้ก็จะเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับนะเพราะว่าในส่วนของบริษัทไอทีขนาดใหญ่ของของสหรัฐนี่ตอนนี้เท่าที่ที่รู้นี่จะมามุ่งเน้นไปลงทุนที่บังกลอเทที่อินเดียเป็นหลักนะครับเพราะว่าเป็นอินเดียเป็นเป็นประเทศที่มีโปรแกรมเมอร์ปีประเทศที่ ม, ททมีความก้าวหน้าทางทางเทคโนโลยีสารส น, สนเทศนี่สูงนะครับนะประเทศหนึ่งในใ น, ในเอเชียเพราะนั่นนี่ ในส่วนของบริษัทขนาดใหญ่ของของสหรัฐก็ดีของเกาหลีของที่อื่นๆจะไปตั้งอยู่ที่ที่บังกลาเทศที่อินเดียนะครับนะเพื่ อ, อทำทำโปรแกรมอะไรต่างๆกันขึ้นมาถ้าไทยเราเนี่จะรีเริ่มเนี่คงจะต้องมีการวางฐานนะครับโดยเฉพาะการผลิตบันดิตที่เกี่ยวข้องกับทางด้านอคอมพิวเตอร์นะักเขียนโปรแกรมนะไอทีต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะต้องมีการส่งสัญญาณให มหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยมนเน้ น, นการผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของของโรงงานของบริษัทเหล่านี้โดยโดยตรงนะครับนะาจจะต้องใช้สหสหศึกษาหรือไม่นะครับให้นักศึกษาเข้าไปศึกษาเรียนรู้นในในโรงงานเหล่านี้เลยก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะในตรงนี้คงจะต้องดูอาจจะดึงมาจากจีนด้วยนะครับก็จะทำให้เราในการเป็นศูนย์กลางไอทีได้สาหรับวันนี้นะครับเวลาของ รายการมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับชีวิตจะสั้นเพราะควนบุรีเรามาร่วมมือกันลดละเลิกสุบุรีครับสำหรับวันนี้ผมนิรันด์กุลธนันต้องขอลาท่านไบก่อนและพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ